อยู่ไกลจนสุดสายตาไม่อยาจเห็นว่าเราใกล้กันและทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไว้วันความทรงจำลึกถึงครั้งแรกเราพบกันเธอและฉันไม่เคยต้องไกลในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสันอยู่ภายในใจ ตัวการที่เราใกล้กันกลัวใจจะเปลี่ยนพัน เธอจะยังคิดถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บางไหมคนไกลยังคงหวันไว้เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร ตมันอออกมายากน้ำข้างในยามเช้ากับลมเนาวจับใจสายลมเฉยอ่นพัดพาความรักฉันไปส่งถึงใจเธอที ถึงฉันไหมเมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกลเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกันรู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวนไว้เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไรน้ำตามันยังไหลออกมาการเวลาทำให้ใจคนเราเป็นพันในวันต้องไกล ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอน้เธอ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 อย่างไรออกมาเธอยังคิดถึงฉันไหมเมื่อเขามองดูภาพเธอที่ไรน้ำตามันยังไหล